ขอน้อมน้อมต่อคุนพระตนาตรัยข อ, อกาลลุมพะกรมพระเทลานุเทระทุกท่านแล้วก็เพื่อนสัตธรมิกทุกท่านอาจเจริญธรรมไม่ทีละญาติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นกลุ่มนักปฏิบัติซึ่งมาใหม่น ะ, ะบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องมาปฏิบัติแบบนี้กันนะทำไมต้องมายกมือสร้างจังหวะกัน ทำไมปฏิบัติแบบอื่นไม่ได้หรื อ, นะอนนี้ก็ายเป็นข้อสงสัยสำหรับผู้ที่มาใหม่หลายๆคนนะโดยเพราะวิธีการนี่ทำไมไม่เหมือนที่อื่นทำไมไม่นั่งเฉยๆนะไม่นั่งสมาธนะิอันนี้ก็คงจะสงสัยกันอยู่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่คราวนี้จริงๆแล้ววิธีการปฏิบัติในเมืองไทยเนี่ยก็มีอยู่เยอะมากเลยนะเป็นสิบกว่าวิธีขึ้นไปนะเช่นอาณาปานสติ <c oughs> พุทโธทสำ ม, มาลหังพองยุบหรือวิธีการต่างๆนะเพราะนั้นวิธีการต่างๆเนี่ยมีเยอะมากนะแต่ว่าที่สำคัญก็คือเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยตรงกับจริตของเราไหมอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคำว่าตรงกับเจริตนี่หมายความว่าอ ย, ย, ย่างไรนะก็คือหมายความว่าเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยมีความสบายไหมนะแล้วก็ปฏิบัติไปแล้วเนี่ย รู้สึกว่าความทุกข์ลดลงไปไหมข้อสำคัญก็คือเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยกิเลสของเราเช่นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยลดลงไปไหมอันนี้คือประเด็นสำคัญที่จะดูว่าตรงกรับจริตของเราไหมนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วคำว่าตรงกรับจริตหมายความว่าทำแล้วจิตมีความสงบดี <c oughs> หรือว่าเห็นนิมิตต่างๆนะหรือว่ามีความปิติมีความสุข หรือว่าเกิดคุณวิเศษตาทิพูทิพต่างๆเป็นต้นอันนั้นก็ไม่ใช่นะอันนั้นเป็นแค่สภาวะรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นเองอเพราะฉะนั้นก็เมื่อเราเคยปฏิบัติธรรมโดยวิธีการใดๆมาแล้วก็ตามนะก็ต้องสังเกตว่าเออมีความสบายมีความสุขดีไหมความทุก ล, ลดลงไปไหม <c oughs> แล้วก็เอาความโลภความโกรธความหลง ต่างๆแล้วเนี่ยลดลงไปไหมนะเช่นเมื่อก่อนเราเคยมีความโกรธมากนะโกรธเก่งโกรธง่ายขี้งหงุดหงิดนะเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่าเออความโกรธเราก็น้อยลงความหงุดหงิดก็น้อยลงอันนี้ก็สังเกตได้ง่ายนะก็แสดงว่าเราก็ปฏิบัติได้ถูกทางแล้วนะแต่ถ้าปฏิบัติมาไดา้พักหนึ่งนานๆแล้วนะหรือเป็นปีๆมาแล้วนยะเออความโกรธความงหงุดหงิดต่างๆก็ยังมีเท่าเดิมนะ หรือมีเพิ่มกว่าเดิมนะอันนี้ก็แสดงว่าคงยังไม่ถูกกับจริตของเราแล้วละ่ะใช่ไหมเพราะการปฏิบัตินี่มันต้องเป็นหนทางให้กิเลสของเราลดลงไม่ใช่ว่าเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น <c oughs> อันนี้ก็แสดงว่าอคงยังไม่ใช่หนทางที่แท้จริงของเรานะต้องสังเกตให้ดีเพราะไม่งั้นถ้าเราเสียเวลาปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็คงจะไม่ก้าวหน้าขึ้นนะก็เสียเวลาไปเปล่าๆนะบางคนก็เสียเวลาไปตลอดชีวิตก็มีนะเพราะนั้น อันนี้ก็เป็นสิ่งเราต้องพิจารณาดูนะก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมาปฏิบัติวิธีนี้เสมอไปนะเพียงแต่ว่าเออเราศึกษาวิธีไหนนะมันตรงกับจริตของเราไหมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากกว่านะคราวนี้เนี่ยวิธีการอ่านะที่เรามาปฏิบัติหรือว่าวิธีการของหลวงมาเทียนจิตสุโภซึ่งเป็นปรมาจารย์องค์สาคัญในการเจริญสตนะิในยุคปัจจุบันนี้นะ ก็ให้เรามีการนะที่จะมีความรู้สึกตัวขึ้นมานะทําไมจะต้องรู้สึกตัวนะ น, นี่เป็นประเด็นที่สําคัญเออทาไมต้องรู้สึกตัวกันนะหรือเราจะปฏิบัติไปทําไมนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องอเข้าใจในตรงนี้ก่อนนะครั้นีเออ้เราทํำไมต้องมาปฏิบัติธรรมะก็เพราะว่าเราเนี่ยยังมีความทุกข์อยู่นะ <c oughs> ถ้าเราไม่มีความทุกข์แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องปฏิบัติธรรมก็ได้นะไม่จําเป็นเลย แต่การปฏิบธรรมเนี่ยก็เพื่อจะแก้ทุกข์นะแล้วก็ทำให้ทุกข์หมดไปนะเรามีความทุกข์ทางกายและทางใจนะทางกายก็คือเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็มีความแก่ความเจ็บความตายาเป็นของธรรมดานะไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงได้นะเป็นทุกข์ประจําสังขารนะแก้ไขไม่ได้แล้วนะแล้วความทุกข์ทางกายอีกอย่างนึงก็คือความทุกข์ที่จอดมานะเช่น ความร้อนความหนาวนะความปวดความเมื่อยเนี่ยเรานั่งอยู่บางคนเนี่ยจะ เ, เริ่มปวดเมื่อยน ะ, ะความหิวนะความง่วงความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเราเนี่ยเป็นความทุกข์ที่จอมานะอันนี้ก็เป็นการที่เรียกว่า uhh. จอมาชั่วคราวแล้วก็จากไปนะแล้วก็จอดมาอีกแล้วก็จากไปอีกนะเพราะเราแก้ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นน ะ, ะเช่นเราเมื่อยเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลุกขึ้นมายืนขึ้นมาเดินล้วก็หายเมื่อย แต่สักพักหนึ่งเราก็ต้องกลับมานั่งใหม่เราง่วงแล้วก็ไปนอนนะตื่นขึ้นมาสักพักนึงใหญ่ๆ ย, ยาวๆแล้วก็ต้องกลับไปนอนอกีกนะเรารับประทานอาหารเดี๋ยวก็ต้องกลับไปรับประทานอาหารอีกเพราะฉะนั้นความทุกข์ที่จอนมาเนี่ยมันแก้ได้ชั่วคราวเท่านั้ น, น, นไม่ได้แก้ให้มันดับไปถาวร น, นะเป็นสิ่งที่เราแค่บรรเทาเท่านั้นเองนะเพราะนั้นสรุปก็คือความทุกข์ทางกายเนี่ยมันจะแก้ไขไม่ได้นะ แก้ให้มันดับไปเนี่ยความทุกข์เนี่ยแก้ไม่ได้นะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือความทุกข์ทางใจนะความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นจากอะไรความทุกข์ทางใจก็เกิดจากอวิชชาตันหาอุปทานนะอันนี้ก็คือรากเง่าเลยนะและจากอวิชชาตันหาอุปทานเหล่านี้ก็ทําให้เราเกิดความโลภความโกรธความหลงนะสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นอกุศลละมูลนะคือมูลแห่งกิเลสทั้งหลายนะ กิเลสทุกอย่างเนี่ยก็มาจาก3ตัวนี้เท่านั้นนะเช่นความโลภก็แบ่งแยกไปเยอะแยะนะเป็นลาคะนะความยินดีความชอบใจความทยานอยากต่างๆนะความโกรธก็แยกไปเยอะแยะนะเป็นความงุนงิดความขัดเคืองความไม่พอใจความกลัวความอิจฉาแยกไปเยอะแยะเลยนะความหลงนะความหลงนี่จริงๆแล้วคือหัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่ของกิเลสทั้งหลาย เพราะว่าอะไรเพราะว่าความหลงนี่ก็คืออะไรนะความหลงก็คือความหลงไม่ด้ทางกายและทางใจความหลงทางกายก็คือเช่นเราเรานั่งอยู่แล้วก็ไม่รู้เรานั่งเราเดินเราก็ไม่รู้เราเดินเรานอนก็ไม่รู้เรานอนนะเราทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เรากำลังทำอะไรนะอันนี้คือความหลงในทางกายนะส่วนความหลงในทางใจก็คือเราคิดไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเรากำลังคิดอยู่นะ คนเราเนี่ยคิดเยอะมากในะวันนึงเป็นหมื่นๆครั้ง <c oughs> นะประมาณห 0,000 ่นครั้งแต่เราจะรู้สักหมื่นครั้งไหมไม่ได้นะรู้สักพันครั้งไม่ไม่ได้แน่นอนนะลอยครั้งไม่ได้แม้แต่10ครั้งก็ยังสงสัยว่าเรารู้ทันความคิดหรือเปล่านะโอ้แสดงเราหลงเยอะมากเลยนะเป็นหมื่นๆครั้งเนี่ยสิครั้งเรายังรู้ไม่ทันนะ <c oughs> เลยอย่างหนึ่งนะก็คือความยินดียินร้ายน ะ, ะความโกรธ ความรักความชังความหงุดหงิดความน้อยใจความกลัวความกุ้มใจความหึงหวงความมิจฉาเนี่ยทั้งหลายเราเนี่ยก็คืออารมณ์เยอะแยะเลยแต่ว่าเรารู้ไม่ทันนะรู้ไม่ทันไม่รู้ว่าขณะนี้เรากาลังโกรธอยู่ไม่รู้ขนาดนี้กําลังหงุดหงิดอยู่นะก็เลยเข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นยินดีก็ไม่รู้ยินร้ายก็ไม่รู้นี่คือความหลงทั้งนั้นเลยนะคือหลงไปในอารมณ์นะแล้วจริงๆแล้วเนี่ย กิเลสนะ่ยมันก็แสดงในรูปของอารมณ์อย่างที่ว่ามันแล้วนั่นแหละอะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันคือกิเลสนะแต่เราก็ไปชอบมันความยินดีก็คือราคะนั่นเองความยินร้ายก็คือโทสะนั่นเองแต่เราก็ไม่รู้เราก็ไปยินดียินร้ายกับเขา น, น, นี่ก็คือกิเลสทั้งนั้นแต่เราไม่รู้เราก็หลงหลงในลมเหล่านั้นนะเพราะเราไม่รู้ว่ า, าเรากําลังหลงอยู่นะเนี่ยคราวนี้ความทุกข์ทางใจอย่างที่ว่ามันนั่นแหละมันสามารถแก้ได้ไหม ความทุกข์ทางใจเนี่ยเป็นสิ่งที่แก้ได้นะไม่ใช่แก้ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้านี่แหละพระพุทธเจ้าจริงๆนะท่านก็มาจากสามัญชนนะท่านก็มีความโลภความโกรธความหลงมาก่อนนะท่านต้องใช้เวลาในการที่จะปฏิบัติธรรมนะสแสวงหาความพ้นทุกข์เป็นเวลา6ปนะีแล้วท่านก็สามารถบรรลนะุเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสมมัสามพุทธเจ้าได้นะท่านสามารถแก้ความทุกข์ทางใจได้อย่างเด็ดขาดนะไม่มีความโลภความโกรธความหลงในใจนะแล้วต่อมาท่านก็ได้ เผยแผ่พระธรรมคําสั่งสอนนี้มาสู่ภาษาวกทั้งหลายตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาคือพุทธบริษัทสี่นะจนสามารถมีผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได่มากมายนะผู้ที่เป็นพระ อ, อ, อ, อหรหันต์เหล่านั้นนะท่านก็ไม่มีความทุกข์ทางใจเหมือนกันนะถ้ามีแต่ความทุกข์ทางกายเท่านั้นท่านไม่มีความทุกข์ทางใจนะเพราะฉะนั้นก็จึงสรุปได้ว่าความทุกข์ทางใจนี่สามารถแก้ได้นะแก้ได้จริงๆนะ ดังนั้นนะที่เรามาปฏิบัติธรรมกันนี้นะก็คือเรามาเพื่อแก้ความทุกข์ทางใจนั่นเองนะและเป็นหนทางที่แก้ได้ด้วยนะผู้ใดที่แก้ความทุกข์ทางใจได้แล้วเนี่ยผู้นั้นความทุกข์จะลดลงนะลดลงไปเรื่อยๆนะยิ่งแก้ได้เนี่ยความทุกข์ยิ่งลดลงนะที่ลดลงเพราะว่ากิเลสเราค่อยๆลดลงไปนั่นเองนะจะค่อยๆลดลงไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยอถ้ากิเลสของเราเนี่ยลดลงไปได้ถึงระดับหนึ่งก็จะเป็นพระ อริยเจ้าในระดับพระโสดาบันนะก็เราจะเกิดใหม่อีกไม่เกินเจชาตินะคือเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดานี่ไม่เกินเจชาตนะ <c oughs> ิถ้าเป็นพระนาคามีก็เป็นเป็นมนุษย์นะพอไปจะไปสําเร็จก็บนชั้นพรหมนะบนสุดท้าวาฒพรนะไปสําเร็จข้างบนไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะถ้าเป็นพระอรหันต์นี่ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วกนะ็พ้นทุกข์ไปเลยนะเข้าสู่ดดนนิพานไปเลยนะอันนี้ก็คือนะ หนทางที่เราสามารถที่จะเข้าสู่ในหนทางนี้ได้ซึ่งก็ไม่เกินความสามารถของเรานะเพราะพระอรหันต์ก็มาจากปุถุชนนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นจุดว่าทําไมเราต้องมาปฏิบัติธรรมกันนะก็คือตรงนี้ก็เพื่อแก้ทุกนั่นเองนะเพราะถ้าเราไม่แก้ทุกตรงนี้นอกจากว่าชาตินี้เราจะทุกแล้วเนี่ยชาติหน้านะถ้าเรามีกิเลสอยู่เนี่ยเราก็ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดนับภพบนับชาติไม่ท้วนนะยิ่งเรามีกิเลสเยอะเนี่ยเราก็ต้องมีภพชาติเยอะ นับพบนับชาติไม่ท้วนทีเดียวนะพระองค์ได้ทรงเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าคนเราเนี่ยหรือว่าสษษาประสาทที่มาเกิดแล้วเนี่ยถ้าเอากองกระดูดที่เคยเกิดในแต่ละชาติเนี่ยมากองรวมกั น, นก็จะสูงเท่ากับภูเขาสินเนรุนะเท่าน้ําตาที่เคยหลั่งไหลในแต่ละชาติมารวมกันก็จะเท่ากับมหาสมุทรนะหรือว่ า, าถ้าเอาต้นข้าวเนี่ยมาทําเป็นกรรม นะกรำละ4นิ้วจนหมดชมพูทวีปก็ยังน้อยกว่าภพชาติที่เราเคยเกิดมานะหรือว่าผู้ที่ไม่เคยเกิดเป็นญาติพี่น้องกันเนะี่ยไม่มีนะเพราะภพภ พ, พ, พชาติภนะพชาติในะยาวมากนะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยกภพชาติเนะี่ยยาวจริงๆนะที่ยาวก็เพราะว่าเรายังมีกิเลสอยู่นะกิเลสเนี่ยมันนําให้เราต้องมาเกิดใหม่นะเหมือนกับต้นไม้ในที่สูงสู ง, ส, งนะสี่าสิบเมตรเนี่ยก็เกิดจากมเมล็ดพันธุ์เล็กนิดเดียวนะ เมื่อมันยังมีเชื้อมเมล็ดพันธุ์อยู่ตกไปที่พื้นดินก็ต้องเกิดขึ้นมาใหม่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆเพราะฉะนั้นในจิตของเราก็เหมือนกันถ้ามีกิเลสเพียงเล็กน้อยเราก็ต้องมาเกิดใหม่อย่างแน่นอนนะหนีไม่พ้นหรอกนะอันนี้ก็คื อ, อถ้าผู้ที่มีกิเลสเยอะก็ต้องไปเกิดอีกยาวนานนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดเป็นมนุษย์เสมอไปน ะ, ะเพราะว่าในภูมินี่มีอยู่ถึงสามภูมินะสาภูมินะ ภูมิที่เป็นอบายภูมิก็มีนะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็ดสุรไกสัตว์นรกเน่ยภูมิที่เป็นสุติภูมิก็มีเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมนะอันนี้มีถึงศาสเตดภูมินะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเออเราเกิดแล้วเนี่ยต้องเป็นมนุษย์เสมอไปนะมันก็ไม่น่ถ้าเราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานชาติเดียวเนี่ยโอ้เรายาวเลยนะกว่าได้กลับมาเกิดมนุษย์นี่ยาวมากเพราะมันจะไปติดในภพในชาตินะเช่นมันเกิดเป็นสุนัขนี่อ๋ ไม่มีสุนัขตัวไหนอยากตายหรอกให้เป็นสุนัขขี่เลือนก็ไม่อยากตายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานปั๊บเนี่ยกับมาเกิดมนุษย์เนี่ยยากมากนะเพราะการที่เกิดมนุษย์เนี่ยถือเราโชคดีแล้วนะสามารถที่จะทําให้หมดกิเลสได้ในชาตินี้นะพระพุทธเจ้าก็ทรงมาตรัสรู่ในพบชาติความเป็นมนุษย์นั่นเองนะอันนี้แหละเป็นการสรุปว่าทําไมเราต้องมาปฏิบัติธรรมกันนะก็เพื่อให้ความทุกข์เราหมดไปแล้วก็ให้กิเลสเราหมดสิ้นไปเข้าสู่ ความพนทุกใ น, นที่สุดน ะ, ะนี่ะคือหนทางนะครั น, นี้เนี่ยทำไมเราต้องมาเจริญสติกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยมีความหลงเป็นส่วนใหญ่นะมีความหลงนะความหลงก็คือเมื่อกี้ที่บอกแล้วว่าความหลงในทางกายเช่นเราทําอะไรก็ไม่รู้นะกาลังนั่งกำลังยืนกำลังเดินกาลังนอนก็ไม่รู้นี่คือความหลงนะ กำลังคิดนะกำลังมีอารมณ์ต่างๆ ค, ความโลภความโกรธความหลงเราก็ไม่รู้ว่าเราก็มีอารมณ์เหล่านั้นนะสิ่งเราเนี่ยนำความทุกข์มาให้เราทั้งนั้นเลยนะคาราวนี้วิธีการของลุงมาเทียนก็คือเปลี่ยนจากหลงให้เป็นรู้แทนนะการที่เราหลงเนี่ยเพราะเรารู้ไม่ทันนะสังเกตไหมว่าความคิดนี่มี2ออย่างนะก็คือความตั้งใจคิดเนะี่ยเช่นเราวางแผนอะไรเราก็คิดไปในสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็ไม่หลงเพราะเป็นการตั้งใจคิด ส่วนถ้าเราไม่ตั้งใจคิดแล้วเนี่ยมันก็คือมันคิดมันเองนะคิดเรื่องนี้เสร็จไปคิดเรื่องนั้นต่อโดยไม่ตั้งใจนี่คือความหลงทั้งนั้นเลยนะความหลงคิดนะสิ่งที่เราจะต้องรู้ทันก็คือความหลงคิดนั่นเองนะไม่ใช่ความตั้งใจคิดแล้วความหลงคิดเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าวันหนึ่งเราคิดที่หลงหลงเนี่ยประมาณเป็นหมื่นหมนครั้งนะแสดงว่าเราหลงเยอะมากนะหลงเยอะมากเลยนะ ที่เราหลงนะ่ะสังเกตไหมว่าไอ้การที่เราหลงคิดหรือความไม่ตั้งใจคิดเนี่ยมันก็คือคิดเป็นอดีตหรืออนาคตเป็นส่วนใหญ่นะไม่ได้คิดอยู่กับปัจจุบันหรอกใช่ไหมแต่วิธีการหลงพุทเทียนก็คือให้เราสามารถที่จะมารู้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะรู้อยู่กับปัจจุบันอ่นะพอเรารู้อยู่กับปัจจุบันปับ๊บความคิดที่เข้าไปในอดีตหรืออนาคตเราก็จะรู้ทันทีนะเพราะเรารู้อยู่กับปัจจุบันนะเหมือนตอนนี้เรานั่งเบาเนี่ยคนนี้จะมานั่งเบาะเราเนี่ยไม่ได้นะเพราะเรากำลังนั่งเบาอยู่ เมื่อเขาจะมานั่งเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าเขาจะมานั่งที่เราแล้วเราก็พาเขาได้ทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้จริงๆแล้วนะอยู่ปัจจุบันได้แล้วนะความคิดที่เข้าไปในอดีตหรือนาคตเราจะรู้ทันทันทีเลยนะนี่เป็นหลักการธรรมดาเลยนะเมื่ออยู่ปัจจุบันปั๊บความคิดที่เข้าไปในอดีตหรือนาคตเราจะรู้ทันทันทีนะไม่ต้องเป็นสิ่งที่ผิดพลาดแน่นอนนะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เพราะฉะนั้นทําอย่างไรนะจึงจะต้องจึงจะอยู่กับปัจจุบันนะนี่คือ ประเด็นแรกว่าทําอย่างไรจะได้อยู่กับปัจจุบันนะการที่อยู่กับปัจจุบันนี้นะมีวิธีการอยู่2อย่างนะที่สําคัญก็คืออาณาปานสติก็คือมีความรู้ในการลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ลมหายใจออกสั้นก็รู้อรมณหายใจเข้ายาวก็รู้ลมหายใจออกยาวก็รู้อันนี้เขาเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานในระดับแรกนะการลมหายใจเนี่ยก็คือฐานกายนะ ในหมวดกายานุปัสนาติปิปัฏฐานเริ่มจากฐานกายก่อนนะก็คือให้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ต่อมาก็เป็นอิริบด บ, บพะนะก็คือให้รู้ <c oughs> ยืน <c oughs> อิริบทใหญ่นะยืนเดินนั่งนอนก็ให้รู้ในอาการเหล่านั้นนะยืนเดินนั่งนอนก็ให้รู้นะแล้วต่อมาก็สปัปปัญชะบพะนะก็คือให้รู้ในอิริย่อยทั้งหลายดื่มกินพูดคิด นะดื่มกินพูดคิดนะนะคู่แขนเดียดแขนก้มเงยนะทรงจีวรสังคาติก็ให้รู้อันนี้คือรู้อิบทย่อยนะสิ่งเราเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญนะเมื่อเรารู้ในอิบทใหญ่อบย่อ ย, อยหรือรู้อานาปสติก็แล้วแต่เช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะหรือรู้การเคลื่อนไหวต่างเราเนี่ยนี่ก็คือ การอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะอยู่กับปัจจุบันก็คือตรงนี้นะอันนี้นะจะบอกว่าอย่างอีกอย่างนึงก็คือการที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญแต่ว่าทายากที่ทำยากเพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดมากนะมันต้องมีจิตละเอียดจึงจะรู้ลมหายใจได้ถ้าคนที่จิตหยาบเนี่ยรู้ไม่ได้หรอกพอรู้ไม่ได้ปุ๊บก็ไปตั้งใจดูพอตั้งใจดูนี่เกิดอะไรขึ้นนะเกิดการเพ่ง เมเกิดการเพ่งจะเกิดอะไรตามมาก็คือเกิดการมึนหัวปวดหัวตามมานะอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนเราเคยคุยกับผู้ได้ปฏิบัติโดยวิธีนี้มาเยอะแล้วและโดพระตัวเองเนัเคยปฏิบัติมาก่อนนะก็ได้ประสบประสิงเหล่านี้ซึ่งเป็นปัญหาในการปฏิบัติธรรมมากนะครา้ น, นี้วิธีการอีกอย่างหนึ่งซึ่งง่ายกว่าก็คือรู้ในการอีบทใหญ่ยืนเดินนั่งนอนอีบทย่อยก็คือคู่แขนเหยียดแขนก้มเงย ทรงจีวรสังฆาตินี่แหละอันนี้สำคัญมากเลยนะการที่เร า, าสามารถคู่แขนเหยียดแขนได้ท่านว่านั่นแหละคื อ, อบทย่อยแล้วก็ทำให้เกิดสติอยู่กับปัจจุบันได้ด้วยนะเพราะนั้นก็เลยเกิดการรูปแบบขึ้นมาในการที่ขึ้นใบ14จังบากนะก็คือการคู่แขนเหยียดแขนนั่นเองนะยกมื อ, อยกมือขึ้นยกมือลงนะนี่แหละคือการ คู่แขนเหยียดแขนนะก็โดยอาศัยบทย่อยต่างๆเหล่านี้แนหะมาปฏิบัติเพื่อให้อยู่กับปัจบัตินั่นเองนะเป็นวิธีการปฏิบัติซึ่งง่ายกว่าอาาปานสติเยอะมากนะเพราะการการที่เราพลิกมื อ, อยกขึ้นมีการเคลื่อนการหยุดเนี่ยง่ายเพราะว่าเป็นสิ่งที่ห ย, ยาบหยาบสิ่งที่ห ย, ยาบหนี่ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนจิตหยาบนะแต่หมายความว่าทำได้ทุกคนนะ อันหนานาปานัสติเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่จิตละเอียดแต่ว่าอ่าการที่เรายกแขนเหยียดแขนเนี่ยเหมาะสําหรับทุกทุคนนะไม่ว่าจะหยาบรละเอียดเนี่ยทับได้หมดเป็นการที่สิ่งนี้ง่ายมากเ <laughs> มื่อเราทําในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเมื่อเรามีการเคลื่อนไหวและใจไปรับรู้ในการเคลื่อนไหวเราเนี่ยเราก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะแต่ถ้าเราเคลื่อนไหวยกแขนเหยียดแขนเนี่ยแล้วจิตเราไม่รับรู้นะยกไปคิด เลือกอื่นไปอันนี้ก็ไม่เกิดการรับรู้เพราะไม่เกิดการรับรู้ก็จะไม่รู้สึกตัวขึ้นมานะก็เป็นการเคลื่อนไหวเฉยๆเท่านั้นเองแต่เมื่อเรามีการเคลื่อนไหวยกแขนเดียดแขนพอเรารู้การเคลื่อนไหวเหล่านี้จิตเข้าไปรับรู้ปั๊บมันจะเกิดความรู้สึกตัวทันทีเลยนะเพราะเกิดความรู้สึกตัวปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คืออยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะอยู่กับปัจจุบันเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนเลยพอเรารับรู้การเคลื่อนไหวเกิดความรู้ตัวปั๊บเนี่ยอยู่กับปัจจุบัน พออยู่กับปัจจุบันปั๊บสิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อมีความคิดเข้าไปในอดีตหรืออนาคตก็รู้ทันทีนะอย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วคือความหลงนั่นเองนะความหลงคือความไม่ความที่เราไม่ตั้งใจคิดนี่คือความหลงไปในอดีตหรืออนาคตแต่เราอยู่กับปัจจุบันได้ปุ๊บเนี่ยความคิดที่เข้าไปในอดีตหรืออนาคตเราจะรู้ทันทีนั่นแหละก็คือความไม่หลงแล้วนะความไม่หลงนะก็คือความรู้นั่นเองก็คือตัวรู้นะเราก็อาศัยสิ่งนี้มาพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะ ขานาต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพื่ออะไรเพื่อจิตไปปลุกธาตุรู้นั่นเองนะคือคนเราเนี่ยมีธาตุรู้ทุกคนเขาเรียกวเป็นวิญ ญ, ญาณธาตุนะธาตุารู้เนี่ยมีทุกคนเขาเรียกว่าเป็นธาตุพุทธะคือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเมื่อเราทําปลุกไปบ่อยๆเคลื่อนไหวปลุกบ่อยๆนะจิตก็จะเกิดการตื่นขึ้นมานะจิตจากการที่เราเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เนื้อรู้ตัวก็จะเกิดการรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นเออเพอเราทําแล้วนิดหน่อย แค่เราขยับแขนขยับขาเราก็รู้สึกตัวได้นะรู้สึกตัวได้นะในรูปแบบเนี่ยเราทํายกมือเดินวงกลมนะแต่จากในรูปแบบเนี่ยมันจะพัฒนาเป็นนอกรูปแบบอีกหน่อยเราก็จะอาบน้ําแปรงฟันล้างหน้าเดินไปห้องน้ำน ะ, ะทาอะไรเนี่ยกวาดบ้านทั้งหลายแหล่เราก็จะรู้ไปด้วยนะคือมันเกิดการพัฒนาเป็นตัวนี้น ะ, อะพอหลังอย่างนั้นนะจิตของเราเนี่ยจะค่อยๆที่จะ สามารถที่จะรู้ทันอารมณ์ต่างๆได้เร็วขึ้นเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะการที่เร า, าเรามีความคิดเยอะอยู่แล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยความคิดเหล่านั้น่มันจะถูกกระตุกกลับมานะจากเมื่อก่อนที่มันคิดไปเรื่อยๆคิดเรื่องนี้เสร็จไปคิดเรื่องต่อแต่ว่าเมื่อเรากําลังสร้างจังหวะเนี่ยมันจะคิดไปไม่ไกลนะคิดไปไม่ไกลเพราะเรามีตัวรู้อยู่นะมีตัวรู้อยู่เนะี่ยตัวรู้เนี่ยก็คือ เขเรียกว่าตัวรู้ไงเมื่อรู้ก็ไม่หลงเมื่อหลงก็ไม่รู้นะเมื่อมีตัวรู้เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันหลงไปปุ๊บเมื่อมีตัวรู้ไม่กลับมาให้ตัวรู้ทันทีมันไม่ไปไกลหรอกนะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นวัววัวนะถ้าหากว่าปล่อยไปเนี่ยมันก็จะเตลิดเปิดเปิงไปหาหาตัวยากนะแต่ถ้ามีเชือบไปผูกที่คอวัวเนี่ยก็ไปไม่ไกลก็วนๆอยู่แถวนั้นนะเพราะฉะนั้นที่เรามาเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นความรู้สึกตัวขึ้นมาปั๊บเนี่ยการรู้สึกตัวเนี่ยเป็นตัวรู้อยู่นะตัวรู้อยู่ปั พอลงไหมปับ๊บกลับมาทันทีเลยกลับมาทันทีเลยกลับมาเร็วกว่าเก่าเยอะนะบางทีแค่คิดไปเนี่ยแป๊บเดี๋ยวก็กลับมาแล้วนะเพราะเรามีตัวรู้อยู่นั่นเองนะอันเนี้ยคือประโยชน์ในตรงนี้ที่เรามาเคลื่อนไหวกันนะเพราะฉะนั้นความคิดที่เคยคิดยาวๆเนี่ยมันก็จะสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆคิดปับ๊บรู้ปับ๊บ <c oughs> มันก็จะเร็วแล้วก็สั้นลงอันนี้คือการพัฒนาพัฒนาความสามารถในการที่จะระลึกได้นะระลึกได้ระลึกรู้ไปว่าเรากําลังคิดไปแล้วเนี่ย น, นี่เป็นสิ่งสำคัญนะว่าทำไมต้องระลึกได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสติคืออะไรนะในหนังสือนะวาวโกว่าบอกว่าธรรมที่มีอุ ป, อปการละมาเนี่ยมี2 อ, อย่างก็คือ1คือสติคือ ค, อความระลึกได้2 ส, สัมชยคือความรู้สึกตัวนะ เพราะนั้นระลึกได้ระลึกได้คืออะไรคือระลึกได้ในการที่เราคิดไปแล้วนะระลึกไปในรมต่างๆระลึกไปในขณะนี้ว่าเรามีความโลภความโกรธความหลงนะระลึกได้ขณะนึ่งกำลังสร้างยังหบะอยู่ระลึกได้ขณะนี้กำลังเดินกาลังยืนกําลังนั่งกำลังนอนก็คือการระลึกได้ในปัจจุบันนั่นเองว่าขณะนี้เรากำลังทําอะไรอยู่ขณะนึ่เรากำลังมีอารมณ์อะไรอยู่นะเนี่ยแค่ระลึกได้ก็คือสติแล้วนะยิ่งเราระลึกได้บ่อยๆนะสติเรายิยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆนะ อ่าเช่นอ่าเราสามารถที่จะรู้ทันว่าเราคิดไปเนี่ยเราคิดลอยครั้งเนี่ยสามารถรู้ความคิดว่าเราคิดไปลอยครั้งเนี่ยมันจะดีกว่าการที่เรารู้ว่าเออคิดไปลอยครั้งเรารู้แค่ครั้งเดียวนะเพราะว่ายิ่งเราสามารถที่รู้ทันความคิดที่คิดไปได้บ่อยๆเนี่ยทำให้สติเราเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆนะ มันจ ะ, ต ร, ระตรงข้ามกับจิตสงบนะถ้าเราฝึกแล้วให้จิตสงบนิ่งๆเนี่ยความคิดก็ไม่เกิดนะความคิดไม่เกิดเพราะนั่นจะ ม, มันจึงไม่ใช่การพัพฒนาสตินั่นเองนะแต่ถ้าเราสามารถที่จะไม่ได้ไปห้ามความคิดปล่อยให้จิตคิดไปคิดไปแล้วเ ร, รู้ทันนะรู้ทันอันนี้แหละทำให้สติมันโตนะการที่สติมันโตเนี่ยมันจะไปพัฒนาอะไรนะมันได้ประโยชน์อะไรมันจะไ ป, ไปพัฒนาให้เราสามารถเห็นอารมณ์ต่างๆได้ด้วยนะ จากการที่เราไม่เห็นความโลภความโกรธความหลงนี่บางทีเนี่ยคนก็นมาด่าเรานะแล้วก็โกรธไปนะโกรธเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นวันๆนะเพราะว่าเรารู้ไม่ทันนั่นเองนะแต่ถ้าต่อไปเนี่ยใครมาด่าเราปุ๊บเราเรารู้ปับ๊บเออขนานี้เรากำลังจะโกรธแล้วนะแค่เรารู้ปั๊บเนี่ยอันนี้ถือว่าเราได้ประโยชน์ในตรงนี้แล้วแล้วความโกรธมันจะไม่เกิดขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราโกรธไปแล้วเนี่ย กับเรารู้ว่าเรากำลังจะโกรธเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันนะก็คําตอบก็คือว่าเรารู้ว่าเรากําลังจะโกรธย่อมดีวกว่าน่นอนนะเพราะว่าเมื่อเราโกดไปแล้วเนี่ยมันแก้ไขา ย, ายากแล้วแหละนะมันเข้าไปในอารมณ์แล้วแต่ถ้าเรารู้ว่าเรากำลังจะโกรธเนี่ยมันก็ไม่เข้าไปในความโกรธนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเนี่ยเราจะรู้ทันว่าเรากําลังจะกําลังจะโกรธนะ <c oughs> กำลังจะยินดีอ่ากำลังจะยินร้ายอ่ากำลังจะเกลียดอ่ากำลังจะรักกําลังจะชังกําลังจะอิจฉา นะก็เลยจะกลัวกําลงจะกุมใจนะก็คือมันเห็นว่ากําลังจะมันยังไม่ได้เข้าไปแต่มันเห็นว่ากําลังจะนะกําลังจะการที่รู้ว่ากําลังจะนั่นแหละ <blessings S 1> <Earl. S 2> คือสติแล้วเพราะว่าลุกเพราะว่าเป็นการระลึกได้ว่าเรากําลังจะโกรธนะมันก็คือสติแล้วนะระลึกได้ว่าเรากำลังจะชอบระลึกได้กํำลังจะชังนี่คือสติเพราะสติคือความระลึกได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นจากจุดนี้แหละมันจะไปพัฒนานะจะไปเป็นการขย่าทารู้ให้เราสามารถที่จะระลึกได้เร็วนะ เราลึกได้เร็วขึ้นเรืเร่อยๆนะมันจะทําให้เราอีกน้อยนะพออีน้อยถ้าเราปฏิบัติเป็นแล้วนะเราก็ไม่ได้ไปสร้าง ย, ย่างบะไม่ได้เดินยงกลมก็ได้เนะีะกระทบอารมณ์ปุ๊บหลุดเลยกระทบรมปุ๊บหลุดเลยเพราะเรารู้ทันรู้ทันทันทีมันก็หลุดทันทีเลยเพราะาสติเราเนี่ยโตแล้วแข็งแรงแล้วนะเมื่อมันแข็งแรงแล้วเนี่ยมันจะทํางานมันเองนะเราไม่ได้คอยทํามันจะทํางานมันของมันเองสติเนี่ยก็จะคอยประคองรักษาจิตเราให้จิตของเราเนี่ยไม่ตกไปในอารมณ์ต่างๆไม่เป็นทาตุอารมณ์ต่างๆนะ เขาเรียกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่ใต้อารมณ์นะเราอยู่ใต้โลกอ่ามีอะไรกระทบตาหูจมริ้นกายใจนะเกิด อ, อะไรขึ้นปั๊บเราอยู่อยู่ใต้อารมณ์ทันทีนะตาได้เห็นรูปปุ๊บอา่าเกิดความยินดีลายหูได้ยินเสียงก็เกิดความยินดีไล้เนะีตาหูจมริ้นกายใจเนี่ยทำให้เกิดความยินดีไล้อันนั้นเขาเรียกว่าเราอยู่ใต้มันแต่เท่หน่อยนะพอเรามีสติปั๊บเนี่ยตาหรือหูหรืออัจฉระทั้ ง, อง6อ่าหูจมริ้นกายใจเนะี่ย กระทบปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันแล้วมันกําลังจะนะกาลังจะยินดีร้ายแล้วก็รู้ทันพอเรารู้ปั๊บเนี่ยจิตจะเป็นกลางนะจิตเป็นกลางจิตเป็นกลางเลยเป็นอุเบกขานะอุเบกขาเนี่ยมันจะเร็วนะพอจิตเป็นกลางไปเบกขาปุ๊บเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นนะจิตมันจะตั้งมั่นเลยนะความไปเบกขาเนี่ยเป็นหนทางความพนทุกข์เขาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือว่ามรรยงปลายก็มาตรงนี้แหละคือความเป็นกลางจริงๆก็อยู่ตรงนี้นะเพราะว่าหนทางที่เรียกว่า ทุกสมุทัยนี่โลดมักนะร์นะเลยที่อริยสัจสก็คือมักร์นี่แหละคือความเป็นกลางในอารมณ์ต่างๆนั่นเองนะความเป็นกลางที่จะไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นอารมณ์ต่างๆเนี่ยจิตจะเป็นกลางก็เลยเป็นอุเบกขาอันนี้คือความพ้นทุกขนะ์ที่สามารถที่จะเข้าสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเรานะมีความเข้าใจว่าเราเนี่ยมาปฏิบัติทําไมก็เพื่อที่จะแก้ทุกข์นะแล้วทําไมจะต้องมา ฝึกวิธีการยกมือไส้กว่าก็เข้ามันง่ายนะง่ายกว่าอนาะนาปาญสติเยอะเลยนะมันเป็นการฝึกให้เราอยู่กับปัจจุบันนะนั่นเองนะสิ่งเราเนี่ยเป็นการพัฒนาเพื่ออะไรเพื่อให้เราสามารถที่จะจิตเนี่ยจะตื่นขึ้นมานะเกิดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะและเมื่อ น, นั้นเราก็จะพ้นจากความทุกข์ได้ในชาติปัจบันในทุกท่านนะอ่า